สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคํากฎข้อที่13นะครับกฎแห่งความสมดุลในเช้าวันนี้เราจะมาฟังกันครับว่าท่านศาสนาจารย์ดเตอร์ฟิลิปเทงนั้นท่านได้เขียนอย่างไรเกี่ยวกับความสมดุลทั้งสามคู่ที่เราได้กล่าวมา3วันที่ผ่านมาครับขอบคุณ ท่านศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยทินที่ได้กรุณาแปลและเป็นพระพรกับคนอิจมากมายครับพี่น้องครับความสมดุล3คู่ก็คือความซื่อสัตย์กับความฉลาดคู่แรกของปรททานและผลของพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์คู่ที่2ความรู้กับจิตวิ ญ, ญญาณเป็นคู่ที่3คู่ที่2นะครับ อาจจะใช้คำว่าวางแผนและอนุภาพก็ได้ครับพี่น้องครับความสมดุลคู่แรกระหว่างความซื่อสัตว์กับความฉลาดมัทธิวบทที่ 24-25 ข้อใครเป็นทาตที่สื่อสัตว์และฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกเบาทาตสสำหรับแจกอาหารตามเวลาบทฟัองอีกครั้งครับมัทธิวบทที่2 4ข้อ25ใคร เป็นธาที่ซื่อสัตว์และฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกเบาธาตสสำหรับแจกอาหารตามเวลาในบริบทของสังคมโบราณนั้นเจ้าของบ้านก็มักจะหาคนต้นเรือนหรือคนที่ไว้ใจได้มาดูแลบ้านในสมัยนี้เรียกว่าพ่อบ้านคุณสบัตวนั้นไม่ใช่แค่ซื่อสัตว์พักดีอย่างเดียวหรือว่าเป็นแค่คนฉลาดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีทั้งสองอย่างพี่น้องครับเปรียบเหมือนกับเราทั้งหลายที่รับใช้พระเจ้าบางคนนั้นรับใช้พระเจ้าสัตว์แต่จะซื่อสัตว์ขอให้จิตใจอยู่ในทางที่ถูกที่ต้องซื่อสัตว์จงรับพักดีพอแล้วแน่นอนครับความซื่อสัตว์จงรับพักดีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ในยุคนี้จะหาคนเช่นนี้ได้ยากมากในขณะเดียกันครับ องค์ผูุุุุุ้เจ้าก็ยังต้องการคนที่ฉลาดคำว่าคนที่ฉลาดมีความหมายอย่างไรครับก็คือไม่เพียงแต่ซื่อสัตย์นั้นต้องทาดีที่สุดให้ได้ต้องเก่งต้องเฉลียวฉลาดต้องใช้สติปัญญาความซื่อสัตย์จงรับพักดีเป็นท่าทีจากข้างในใจความเฉลียวฉลาด มีความรู้เป็นการกระทำออกมาภายนอกมพอีพ่อค้าคนไหนที่ไม่ซื่อสัตย์กับธุรกิจของตนเองแต่เขาก็ยังต้องระดมความคิดค้นหาวิธีการที่จะค้ากำไรต่ อ, ตอไปหากไม่ฉลาดและมีความรู้ก็จะพลาดโอกาสและไม่ประสบความสำเร็จพี่น้องครับเรารับใช้พระเจ้านอกจากต้องการความยงรักพักดีความซัตอ์ซื่อ ยังต้องฉลาดมีความรู้เอาสติปัญญาความรู้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ไปแสวงหาทาสิ่งที่ดีที่สุดให้ได้ทำสิ่งที่สมควรทำจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ได้ตรวจตราดูว่าสังคมหรือผู้ที่เรากำลังทำงานรับใช้นั้นต้องการอะไรจิตใจของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไร จะใช้วิธีใดในการเชิญชวนชักจูงดึงดูดผู้คนและเพื่อที่จะได้มาซึ่งจิตวิญญาณการประกาศข่าวประเสริฐนั่นแหละครับคือความเฉลียวฉลาดและความจงรักภักดีความซั์ซื้ง น, นี่เป็นคู่แรกครับคู่ที่สองเราจะต้องสมดุลระหว่างของประทานและผลของพ่อวิญญาณโรยสุดในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12และบทที่ส4 ได้กล่าวถึงของประทานของพระวิญญาณมากมายและตรงกลางของบทที่12และ14ก็คือบทที่13ก็ได้กล่าวถึงความรักซึ่งเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระธรรมกะลาเทียบที่หข้อยี่สิบสอก็ได้กล่าวถึงผลของพระวิญญาณเก้าอย่างขณะที่คนทั้งหลายมุ่งไปที่พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ รวบรวมความสนใจไปที่ของประธานของพระวิญญาณแต่และเลยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นสำคัญทั้งสองอย่างครับก็คือของประธานของพระวิญญาณและผลของพระวิญญาณความคลาดเคลื่อนความไม่สมดุลในเรื่องนี้ทำให้เกิดมลทินมากมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีสองคนที่มีของประธานมาก แต่เขาล้มลงและทาบาปเขาไม่มีชีวิตที่มีผลของพระวิญญาณแสดงออกมาเป็นคนมีของประทานครับแต่ไม่มีผลถือว่าเป็นวิกฤตถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่าใส่ใจแต่ของประทานจนละเลยผลของพระวิญญาณอย่าใส่ใจแต่ของประานจนละเลยผลของพระวิญญาณพระกัมพีชี้ให้เราเห็น มีจํานวนมากถึง2บทเกี่ยวกับเรื่องพระวิญญาณของประธานของพระวิญญาณแต่ในระหว่างสองบทนั้นตรงกลางแทรกด้วยผลของพระวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความรักและทั้ง3าบทนี้ก็คือ1โครินบทที่12 1 3อ4นั้นได้ถูกวางไว้อย่างงดงามได้มีคุณค่ามากที่สุดครับก็คือต้องมีความสมดุลจะต้องเน้นทั้ง2องอย่างควบคู่กันไปมีของประธาน แต่ไม่มีผลเป็นไปไม่ได้และมีผลโดยที่ไม่มีของพระทานก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าใช้ของพระทานอย่างเดียวโดยไม่เน้นชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่มีผลของพุทธิญาณบริสุทธิ์ครับคู่สุดท้ายในชา ว, วันนี้ก็คือความสมดุลระหว่างความรู้และจิตวิญญาณท่านอาจารย์ารลเป็นคนที่มีความรู้มากในเวลาเดียวกันนั้นจิตวิญญาณของท่านก็สูงส่งมากทีเดียว ดังนั้นพระเจ้าทรงใช้ท่านมากทำให้ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเลือกคนมากมายครับคนมากมายเหล่านี้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆถวายไว้ในคริสตจักรของพระเจ้ายกตัวอย่างครับบรรดาบรรมชนแห่งความเชื่อในยุคคริสตจักรในสมัยโบราณ น, นั้นท่านแรกก็คือเซนต์ออกัสติน เซนตกัสตินนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาสูงครับเป็นคนที่มีความรู้ควบคู่ไปกับจิตวิญญาณความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเขาเขาเขียนหนังสือเรื่องการสารภาพบาปเป็นหนังสือที่มีมาตรฐานศาสนาศาสตร์สูงมากทําให้ผู้คนมากมายในประวัติศาสตร์ขึ้นจักรรับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เรื่องการสารภาพบาป บุคคลคนที่2ครับก็คือท่านโจนาธานเอ็ดเวิร์ดท่านโจนาธานเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นคนที่มีความรู้และในขณะเดยียวกันครับมีจิตวิญญาณคือความยำเกรงพระเจ้าสองอย่างนี้ครับมีพร้อมในตัวของท่านโจนาธานเอ็ดเวิร์ดท่านเป็นคนที่อยู่ในยุคศตวตรรษที่18ครับเป็นนักประกาศฟื้นฟู คนสำคัญมากๆของสหรัฐอเมริกาท่านเคยใช้เวลา3วัน3คืนอดอาหารอาธิษฐานขอพระเจ้าประทานการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่มากท่านเทศนาประกอบด้วยฤทธิเดชพระเจ้าทรงใช้ท่านมากท่านเป็นผู้นำที่มีความรู้มากในเวลาเดียวกันก็มีจิตวิญญาณที่สูงส่งในศตวรรษที่18นั่นเองพี่น้องครับเป็นที่เรียกว่า spiritual awakening สเปร i ชั่วอวเก้นนิคือการฟื้นฟูใหญ่ฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทำให้มิชชันนารีรุ่นแรกๆก็คือท่านศาสนาจารย์กุสลาฟศา ส, สนาจารย์ดีนศา ส, สนาจารย์ดรแบดเลหรือหมอบัดเล่และพี่น้องมิชชันนารีมากมายที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับก็คือเกิดจากการฟื้นฟูใหญ่ ในครั้งนั้นคนที่สามครับก็คือจอห์นคาวินจอห์นคาวินนั้นเป็นนักศาสนาศาสตร์เป็นผู้ที่มีความรู้สมดุลกับความเชื่อจิตวิญญาณที่สูงส่งท่านเป็นนักปฏิรูปศาสน า, ศาและท่านเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงมากและท่านได้เห็นทฤษฎีทิวลิปครับถ้ามีเวลาว่าง ก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูเกี่ยวกับเรื่องคิวลิทท่านที่4ครับจอห์นเวสเล่ท่านเป็นนักเรียนคนเก่งของออกซฟอร์ดซึ่งเป็นหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับ 1-3 ถึงของโลกเลยทีเดียวท่านเป็นนักประกาศที่มีฤทธิเดชมากในการฟื้นฟูนำวิญญาณถือว่าท่านเป็นผู้นำคนสำคัญของประเทศอังกฤษครับท่านที่ห้า ท่านฟรานซิสเชฟเฟอร์เป็นนักศาสนาศาสต ร, ร์ในศตวรรษที่20นี่เองนะครับเป็นนักคิดนักเขียนนักประกาศข่าวประเสริฐเป็นนักทฤษฎีผู้ปกป้องศรราสนาและบุคคลคนสุดท้ายครับรุ่นคุณพ่อคุณปู่ของพวกเราที่เป็นคริสเตียนในประเทศไทยก็จะรู้จักท่านก็คือดร์จอห์นงดรจอห์นงนั้น เป็นดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโอไฮโอท่านเป็นคนที่มีพลังมีกำลังมหาศาลในการประกาศข่าวประเสริฐเป็นนักฟื้นฟูมีความกระตือรือร้นในด้านจิตวิญญาณและการอธิษฐานในขณะเดียวกันครับท่านก็เป็น PhD จบเคมี Me, ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนยากมากพี่น้องครับบุคคลต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นว่า มีความสมดุลมีพลังในวิเดียนครับเป็นคนที่มีความสับซื้อเป็นคนที่มีความจริงใจเป็นคนที่มีความจงรักภักดีและที่สำคัญครับเป็นคนที่มีความรู้สูงความรู้กับจิตวิญญาณต้องไปด้วยกันครับพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ที่พิเศษไว้สองประเภทคือเครูปและเซลาฟิมพี่น้องคงจาได้นะครับ ทุสวรรค์พิเศษสองประเภทประเภทแรกก็ชื่อว่าเครูปประเภทที่2ชื่อว่าเซราฟิมเครูปภาษาเดิมนั้นแปลว่าความรู้ครับเซราฟิมภาษาเดิมนั้นแปลว่าไฟเครูปแปลว่าความรู้เซราฟิมแปลว่าไฟเขาเหล่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีครับความรู้ต้องบวกออกับความร้อนร้อน เหมือนไฟครับร้อนรนแบบไฟเมื่อเรามีความรู้แน่นอนครับความรู้มาจากพระวจนะพระเจ้าและความร้อนมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระวจนะของพระเจ้าก็จะต้องไปควบคู่กันเสมอขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่ทุกท่านอาเมน